ซีดีธรรมบัญญายชุดธ ร, รมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาพรปออประยุตโตวัดยา น, นเวสกวันตตำบลบางกระทึกออำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่ส1ออยากเก่งดีมีสุขเลิศปัญญา ก็รีบสร้างปราโมทขึ้นมาบรรยายเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศกราช2551เพื่อมาคุยกันต่อไปไม่ได้จะถามจะคุยนะชักจเรืรีวีนิมนต์ฮะ ผมกราบขอความกรุณาพระาเพรขุลอเอ่หลุงพ่ อ, อช่วยสอนวิธีไปสู่พระนิพพานในชาตินี้โดยวิธีที่เข้าใจได้ง่ายเพื่อพวกเราและผมเองเนี่ยจะได้นำไปสอนครอบครัวทั้งเด็กและผู้ใหญ่และญาติโยมที่สนใจครับได้ไหมครับก็ไปในวิถีแห่งนิพพาน คืออ น, นิพพานเนี่ยแม้แต่กระทั่งพอลึกๆท่านก็มีการแยกเห็นนะเหมือนกับเป็นตังทางคณิพุตูนิพพานด้วยองค์นั้นๆก็คือชั่วคราวอันนี้ก็ทั่งก็ยอมรับนะก็ถือเป็นตังทางคณิพพานนิพพ า, านชั่วคราวชั่วครู่ชั่วครู่แด้วยองค์นั้นนั้นก็หมายความด้วยการที่มีคุณสมบัติ ด, ดีนั้นเกิดขึ้นมาแล้วจิตมันก็สะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้น กิเลสก็ถือเป็นนิพพานแต่ทีนี้ว่าถ้าเราจะพูดกลางๆอยากหลักใหญ่ๆเนะี่ยพูดได้หลายอย่างเช่นถ้าโอ้ง่ายนิดเดียจะไปนิพพานนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ปาโมชฌาภะฮุโลภิกขภิกษุผู้มากได้ปราโมทนะเอาแล้วนะปาโมทนี่เป็นสภาพจิตที่ดีครับ เป็นสภาพจิต ท, ที่ลาดเริงเบิกบานพอลาเริงเบิกบานเนี่ยมันก็จะไม่มีความขุนโมดเศร้าหมองหนึ่งในแง่ของสภาพจิตก็ดีจะมีความสุขเพระนั้นปราโมทมาเนี่ยมันก็นําไปสู่สมาธิแล้วพอมันไม่ขุนโมดเศร้าหมองมันลาดเริงเบิกบานมันก็เป็นจิต ท, ที่เปิดสองจิต ท, ที่เปิดมันก็ให้โอกาสกับปัญญา ตอนนี้แหละครับมันจะพัฒนาไปทั้งด้านจิต ด, ด้านปัญญาขณะปราโมทมาเนี่ยหนึ่งนำไปสู่สมาธิอันนั้นจะมีหลักที่ท่านเรียวกว่าธรรมสมาธิมีห้าข้อหนึ่งปราโมทสองปีติสามปสัสสัิสี่สุขหสมาธิเวลาพระพุทธเจ้าตรัสถึงผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเริ่มจุดไหนก็นแล้วแต่ถ้าพระองค์ตรัสในระหว่างว่าเขาปฏิบัติไปแล้วเนี่ย ก็มักจะตรัสอันนี้ด้วยว่าเออพอเขาเริ่มแล้วใช่ไเขาไปพิจารณาธรรมเนี่ยหรือไปสดับธรรมะมาแล้วก็มาไตรตรองแล้วเขาเกิดปลาโมดทีนี้ให้มาเป็นชุดมีปิติปะสะัสสติสุขสมะที่ห้าข้อเนี่ยถ้าเรียวกว่าธรรมะสมาธิพอธรรมะสมาธิเกิดแล้วก็จะเกิดจิตสมาธิจิตสมาธิก็สมาธิของจิต ธรรมะสมาธิก็หมายความว่าไอ้ตัวความอยู่ตัวลงตัวของธรรมที่มันสมดุลก็ลงตัวนั่นแหละดีที่สุดแล้วที่มันจะทำให้จิตเนี่ยเป็นสมาธิได้เลยห้าตัวเนี่ยท่านจึงเน้นไงทีนี้เราไม่ค่อยพูดถึงเรียกว่าธรรมะสมาธิมีห้าตัวหนึ่งปลาโมดสองปิติปสัสทธิสุขสมาธิ ปราโมดความร่าเริงเบิกบานใจสองปีติความอิ่มใจปลื้มใจสามปัจสถานความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจพอถึงปัจสถานะทาด้านกายใจเนี่ยจะประสานเลยในประจุดบรรจบสำคัญปัจสถานะบอกว่าถ้ากายผ่อนคลายจิตผ่อนคลายจิตผ่อนคลายกายก็ผ่อนคลายด้วยทีนี้จะผ่อนคลายและปัจสถาน พอปฏิสติเกิดก็ทีนี้ก็สุขมาช่ำชื่นใจพอสุขมาก็เปิดโอกาสให้สมาธิเพราะว่าถ้ามีทุกข์นี่จิตมันจะดิน้นมันถูกบีบคั้นพอสุขมันก็ปลอดโปร่งคล่องจิตมันไม่มีอะไรมากวนมันก็เลยได้โอกาสกันสมาธิแต่ต้องระวังมันก็แคขี้เกียจไปเลย ทีนี้ถ้ามันในแง่จิต ด, ดีมันก็เป็นสมาธินั่นก็ห้าข้อเนี่ยเอาละนี่ผมพูดไปเข้าหลักเรือธรรมสมาธิทีนี้ไม่ต้องพูดถึงธรรมสมาธิเอาตัวปลาโมทเนี่ยแม้แต่ปลาโมทข้อเดียวพุทธเจ้าตัดไว้เลยปลาโมทชาบโลพิคุเนี่ยประสันโนพุทธศาสนอธิคัตชติประทางสันตังสังขารูประสมังสุขัง ก็บอกว่าภิกษุผู้มากโดยปราโมทมีจิตผ่องใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะบรรลุถึงสันตบทสันตบทก็หมายถึงนิพพานบทที่ส ง, งบเป็นสันติอันเป็นที่ส ง, งบการปรุงแต่งไปหมดหมายความว่าไม่มีการปรุงแต่งของสังขาร เป็นความสุขที่ปลอดโปร่งเี่เรียกว่าสังขารูปสังวรสุ ข, ขังก็คือนิพพานสุขดังนั้นก็ปฏิบัติถูกเนี่ยให้ตั้งหลักไว้เลยมีจิตปราโมทได้แค่นี้ก็มีทางแล้วก็เรียกว่าท่านเริ่มเข้าสู่ในทางแล้วแค่นี้ก็ได้อีกอันหนึ่งแล้วถ้าเอาอื่นก็เดี๋ยวเคยว่ากันอีกทีได้แค่อันนี้ก็บอกว่าเออเธออยากไปนิพพานนะทําจิตให้ดีๆไว้ ทำจิตให้บันเทิงใครจะมายั่วให้โกรธก็จะไปโกรธเพราะมาเราเสียปราโมทไม่ได้เนี่ยใช่ไหมถ้าเราไปพลอยโกรธเขาเราก็เสียปลาโมทสิแค่รักษาปลาโมทได้จิตปลาโมทรู้ดีถมไปแล้วเนี่ยใกล้พันิพาณเลยนะเนี่ยภิกษุผู้มากในปลาโมทและอีกคาถานี่ก็มีปลาโมทชาโผลโลภิคคออกขุเหมือนกันหลงท้ายบอกว่าอย่างไงทุกขัดสนตังกฤตสติผู้มากในปลาโมทเนี่ย จะทำทุกให้หมดสิ้นไปทุกข์กับสันตังกฤตติธรรมที่สุดแห่งทุกข์ก็คือนิพพานเหมือนกันอันนั้นอย่างนี้ก็ง่ายนะฮะเอายากขึ้นไปอีกก็ค่อยว่ากันดีนี่เอาอย่างง่ายเลยบอกญาติโยมเนี่ยทําใจให้ปราโมทไว้แล้วต่อจากนี้ก็เรารู้นี่ที่เราปราโมทนี่มันเพื่อส่งเสริมคุณภาพจิตใจจิตใจได้ไนหะมคุณมัวไม่เศร้าหมองไม่มีอำนาจกิเลสเข้ามายุ่ง ใจปลาโมดมันใจผ่องนะมันร่าเริงเบิกบานโล่งผ่องทีนี้มันก็ดีสิมันก็เป็นสภาพจิต ท, ที่ดีแล้วก็จะมีกิเลสมีอะไรเกิดได้ยากเหมือนกับเกิดเหตุการณ์ร้ายเนี่ยนะเราก็รักษาปลาโมดไว้อย่าไปปล่อยโกรธกันถอด้วยทีนี้ถ้าพวกที่ไปอยู่ในฝ่ายเราเนี่ยมีปลาโมดไว้ได้เนี่ยแกก็จะไม่ทะเลาะกันแล้วถึงจะเถียงกันยังไงก็ไม่ทะเลาะ เราไม่ตกตีกันใช่ไหมบอกเอ้ยพวกเราปลาโมดไว้ก่อนไปบอกทุกคนน่นั้นนะ่ะบอกปลาโมดไว้ปลาโมดไว้เด็กปลาโมดไว้มันก็ไม่ทุบตีกันนะใช่ไหมแค่นี้ก็ได้ความแล้รักษาสังคมได้เลยอท่านให้ปลาโมดไว้เอาละครับหนึ่งแล้วปลาโมดเนี่ยสําคัญแล้วทีนี้ก็เพราะมันอยู่ในกระบวนการพัฒนาปัญญาด้วยเราก็พัฒนาปัญญาทีนี้ด้วยจิตที่ปลาโมดเนี่ยเราก็รับฟังหมดใช่ไหม จะพูดอะไรมาจิตเราปลาโมดเราก็ฟังได้ดีสิครับไม่ไปมัวติดหยุดถูกใจเราไม่ถูกใจเรามันไม่มีมันก็ไม่โกรธไม่อะไรกันมั้งั้นไม่มีปลาโมดเรามันยุ่งไปหมดแล้วรับฟังกันกันไปไดไ้ตั้งปลาโมดเป็นหลักใจไว้ก่อนเลย<ม> เ, อเอาอันนี้ก่อนนะครับโตลงครับอั น, นี้าครบเวพปลาโมดที่ว่านี่ไม่ถึงว่าทําใจให้เบิกบานเนี่ยก็จะฟังท่าวิจิตเบิกบาน ร่าเริงเบิกบานบันเทิงถ้ามันเป็นการบันเทิงจากการที่เราฟังสิ่งที่ชอบใจอาจจะเป็นสื่อบันเทิงภาพยนตร์เพลงอะไรอย่างเงี้ยครับฟังตลกฟังอย่างเง้ยอันนั้ น, นอยู่ที่ทมีสติต้องระวังอันนั้นถ้าจึงยอมเหมือนกับนนะั้นเรื่องเพลงเรื่องอะไรเนี่ยคือเราต้องนึกว่าพุทธศาสนานี่มองคนในแง่ของการพัฒนามนุษย์นั้นถ้าจะไม่ไปตอบอะไรที่เรียวกว่าเอกังสว่า ต่อผมผงมันไม่ได้ไม่ได้ต้องแยกแยะให้ดีแม้แต่คนชั่วพระพุทธเจ้ายังแยกเลยเขาชั่วในแง่นี้แต่เขามีดีแง่นี้อย่งนั้นเลอย่าไปพูดเด็ดขาดถางลงไปไม่ได้อ้าวพระจ้ตอบเลยการการที่เราฟังสื่อบันเทิงอ๋ออ๋ใช่ใช่เนี่ยอย่างดนตรีนี่เป็นตัวอย่างดนตรีเนี่ยในระดับศีลห้าแล้วท่านไม่ว่า และทัดให้ฝึกตัวเองทําไมให้งดเว้นในภพดนตรีในระดับสี่แปก็เพราะว่าอย่างน้อยหนึ่งจะได้ให้เริ่มเป็นอิสระไม่ไปฝากความสุขขึ้นต่อสิ่งภายนอกเมืงง่อกันเราต่อไปก็ต้องขึ้นต่อมันไม่มีมันแล้วไม่มีสุขนี่ก็ต้องสามารถที่จะอยู่ได้เป็นอิสระลําพังตัวได้แต่ว่าไปเกี่ยวข้องกับมัน ใ, ใช้เป็นประโยชน์ในย่างดนตรีเนี่ย ในระดับศีลห้าเนี่ยไม่มีปัญหาเลยพระพุทธเจ้ายังเคยแต่งเพลงให้มานพเลยอ้าวมีนะในคำพีมีพระพุทธเจ้าแต่งเพลงให้มานพแกจะไปเกี้ยวสาวอ้าวแล้วใครเล่าอยู่ในธรรมบทแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีในพระไตรแล้วเนี่ยจะนําเขาสู่ประโยชน์ที่สูงขึ้นไปแล้วจะให้ประชาชนได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าถ้าแกแต่งเองแล้วก็แต่งเพลงที่ไปย้อมจิตให้คน มัวเมาหมกบุ่นก็จิตคนประชาชนเหล่านั้นก็ต่ําลงพระองค์กทรงแต่งให้ก็กลายไปว่ามานพนี้ไปร้องเพลงนี้ก็กลายเป็นว่าไปช่วยให้ทำแกปชช่ประชาชนพวกนั้นประชาชนก็มีจิตดีขึ้นก็ยกระดับจิตใจกลายเป็นทําบุญทำกุศลช่วยให้เขาจิตเป็นกุศลเพราะนั้นหลักการวินิจฉัยอะไรเนี่ยบางทีท่านไม่พูดอันนั้นเป็นงี้ไหมแต่ท่านให้หลักการกว้างๆเช่นอยางว่าพบเห็นอันนี้ หรือพบเห็นอันใดแล้วทำให้กุศลเกิดขึ้นหรือเจริญขึ้นกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญพินโยง่อเงามีขึ้นหรือได้ยินได้ฟังอันนี้แล้วอกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญอันนี้ดีใช้ได้ไม่ต้องไปพูดว่าไอ้อันนี้ดีหรือไม่ดีไม่ต้องพูดใช้หลักกวางเลยเข้าใจไห นี่เป็นข้อปฏิบัติที่ใช้กับแต่ละคนได้ได้ยินอะไรแล้วอกุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญอันนี้ใช่ได้อันนี้เป็นหลักง่ายๆอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งหรื อ, อยังถือทุ ด, ดง่ยทุ ด, ดงนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นข้อวัดวัดไม่ใช่ศีลวัดคือข้อปฏิบัติที่ถือประจําเพื่อประโยชน์ในการฝึกตนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ทุ ด, ดงนี้ใครจะถือก็ได้ไม่ถือก็ได้ ถือว่าขัดเกลารตัวเองตัวเองนี่เป็นคนตามใจตัวเองในเรื่องนี้มากไปเช่นตามใจในเรื่องฟุง่มเฟือยพระถึงจะไม่ฟุ่มเฟือยมากบางทีก็ปล่อยตัวมีผ้าดีเล็กเยอะอะไรงี่ก็เลยถือทุดงซะจะได้ใช้เฉพาะผ้าอย่างนี้เท่านั้นนี่ธุดงก็มีตั้งสิบสามข้อให้เลือกถือสรรั้นถือยาวก็ได้ถือก็ได้ไม่ถือก็ได้แต่ว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกตนนี่ถ้าก็มีหลักเช่นบอกว่าเอาแล้ว บางองค์นี่ถือธุดงข้อ น, นี้แล้วอาจจะเสื่อมก็ได้ไม่ใช่ว่าถือทุดงแล้วจะดีเสมอไปท่านก็ บ, บอกว่าถ้าตัวท่านน่ะถือทุดงข้อ น, นี้แล้วอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมไม่ควรถือถ้าถือแล้วอกุศลธรรมเสื่อมหายกุศลธรรมเจริญควรถืออย่างนี้เป็นตน้นอันนี้เป็นหลักที่ใช้ได้กว้างๆในกรณีที่เราไม่มีเรื่องเฉพาะ นี่ถ้าเป็นเรื่องของการฝึกตนที่เป็นเรื่องของชุมชนเนี่ยก็ต้องมีบทบัญญัติร่วมกันอย่างศีลของพระเนี่ยก็เพื่อว่ามันจะได้ไม่หลือขอบเขตเนีเอา้าวเดี๋ยวผมตอบหมดแล้อยังไม่รู้เนี่ยตอบท่านฐานิสโลใช่ไหมตอนเนี้ยอ๋อแล้วตอบใครล่ะอ๋ออ๋อเอาเรื่องดนตรีก็เป็นอย่างเงี้ยคือศีลแปดนี่ท่านให้ฝึกตน ฝึกตนว่าลองซิงเราจะอยู่ได้และอยู่ได้ดีด้วยไหมโดยไม่ต้องพึ่งพาขึ้นต่อสิ่งเหล่านี้ถ้าจึงไม่ได้ต้องให้ถือตลอดเวลาเออคารุหัดนี่มักจะมีความสุขจากการเสบบริโภคมากไปแล้วก็ไปๆก็ไปยุ่งกับการบันเทิงบันเทิงต่อไปมันกลายเป็นพึ่งพามีความสุขแบบพึ่งพาขาดสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ ทีนี้พอไปขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นเราจิตใจก็ยิ่งวุ่นวายเพราะว่าคิดคํานึงไปหาสิ่งเหล่านั้นอยู่เรื่อยคอจะคิดถือการเสพ บ, บริโภคแล้วก็โยงไปหาสิ่งที่เกี่ยวข้องจิตใจก็คุณมวัวเศร้าหมองมันก็ไมเอื้อต่อการพัฒนาจิตใจท่านก็เลยให้เปิดโอกาสแก่การที่จะฝึกตนในการที่จะเจริญพัฒนาทางจิตปัญญาพอคุณได้ศีลห้านี่แค่ว่าเพื่อ ให้สังคมเนี่ยมันไม่ลูกเป็นไฟให้มันอยู่กันได้ไม่เบียดเบียนกันศีลห้าเอาแค่นั้นแต่ว่าถ้าเราต้องการจะฝึกชีวิตขึ้นไปเราก็เริ่มทำชีวิตให้เป็นอิสระจากวัตถุเสรบริโภคศีลห้าเนี่ยมันมาช่วยคนในการที่ว่าเขายังหาสิ่งเสรบริโภคหากันนักหนาแล้วมันแย่งชิงเบียดเบียนกัน้ หาทรัพย์สินเงินทองอะไรต้อะไรแล้วมันก็ทะเลาะกันแล้วมันก็ฆ่าฟันกันแล้วก็พูดปดพูดอะไรอย่างที่เราเล่าใ้เรื่องสังคมพัฒนาวันนั้นเนี่ยแค่สมัยโบราณเริ่มต้นเพราะว่าแบ่งเขตกันนิดเดียวยุ่งแล้วแค่นั้นก็มุออาวาธอทิตย์นัท่านปานามาได้หมดเลยนะแค่นั้นนี่ยนี่มนุษย์เนี่ยสังคมมันเป็นอย่างเงี้ยต่างคนก็จะต่างหาเพื่อนตอนเองก็เลยว่าเอาคุดจะหาก็หาไปไม่ว่าละ สุขจากเศษบริโภคก็ยอมรับมนุษย์ปุถุชนก็เลยเอาห้าข้อนี้ไว้ก่อนว่าหาไปยังไงก็หาเหอะอย่าละเมิดห้าข้อนี้พอสังคมมันอยู่ได้เนี่ยมันจะได้เป็นฐานให้มีทางพัฒนาอื่นทีนี้เราเกิดต้องการพัฒนาสูงขึ้นไปท่านก็บอกว่าเออคุณอย่ายู่สินห้าเตียวบางทีคุณยังพึ่งพาสิ่งเศษบริโภคมากยังหลงไหลโ ม, มเมลได้เป็นต่เพียงไม่เบียดเบีนคนอื่น ตัวเองนี่ยังรุ่มหลงบวงมเมาท่านก็เลยเอาทีนี้มาฝึกตัวเองสักบ้างเพราะนั้นศินแปดที่เพิ่มเนี่ยไม่เกี่ยวคนอื่นศินห้าในเกี่ยวทั้งนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันเพราะไอ้อีกสามข้อรวมถ้าไปเปลี่ยนในข้อสในศีลแปดเนี่ยเป็นเรื่องตัวเองหมดเลยไม่เกี่ยวคนอื่นก็เป็นเรื่องตัวเองที่ว่าจะได้ไม่ต้องพึ่งพาฝากความสุขไว้กับสิ่งเสพบริโภคก็มาฝึกตนว่าเออแปวันทีหนึ่งนะ หรือคนจะถือมากกว่านั้นถ้าก็ไม่ว่าเอาแล้วแล้วแต่ใครจะตกลงใจกับตัวเองก็ให้ฝึกตัวเองโดยที่ว่าเออเราเคยกินอาหารตามชอบใจตอนนี้เรากินเป็นระเบียบฝึกตัวเองไม่กินเกินเวลานอกเวลาเอาแค่นี้พอมือเดียวหรือสองมือก่อนเที่ยงแล้วก็เคยฟ้อนรำขับร้องหาความสุขเพลิดเพลินกับเรื่องเหล่านี้เออแปดวันวสที เป็นวันอิสระงดบันเทิงแล้วก็เคยต้องแต่งตัววุ่นวายกันเรื่องแต่งตัวเสียเวลาวันไม่ใช่น้อยเนี่ยเงินเงินก็เสียเยอะเนี่ยแปดวันก็ลองงดดูสัทีแล้วก็เคยนอนหรูหราตามใจตัวเองก็งดสั ว, วันนึงเอาดูสิแล้วเราจะอยู่ได้ดีโดยไม่ต้องพึง่งผ้าแล้วเราจะอยู่ได้มีความสุขไหมโดยไม่ต้องพึ่งเหมือนเนี้ยอย่างน้อยก็จะไปเครื่องเตือนสติตัวเอง แล้วก็ฝึกตัวเองว่าให้เราอยู่ได้อยู่ได้โดยไม่ต้องขึ้นต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เอาความสุขไปฝากไว้ตอนนี้เริ่มจะมีความสุขแบบไม่พึ่งพาความสุขจากการเสริโภคนี้ต้องพึ่งพาต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกใช่ไหมต้องมีนั่นมีนี่ไหม่มีอยู่ไม่ได้บางคนพึ่งพาเกินไปหมดอิสระภาพเลยขาดไม่ได้แล้วขาดแล้วจะตายไม่มีความสุขนี้พอเราไม่ต้อง ตอนนี้เราฝึกเก้ีิบแปดเราก็เออวันนั้นมีแล้วก็อยู่ไปก็มีความสุขถึงเราไม่มีก็อยู่ได้เนี่ยก็เลยมีโยมที่เอาคาไปพูดว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ตอนนี้ไอ้วัตถุเสพเหล่านั้นมันจะมาขั้นเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มเป็นอิสระมากขึ้นมีก็ดีมีก็ดีเหมือนกันแต่ไม่มีก็ได้นะเออฉันไม่ดีก็ตายหรอก เราก็มีก็ดีไม่มีก็ได้ต่อมาเรารู้สึกว่าไอ้ของมากบางอย่างมันเละเธอะลุงรังอ่ะรุงรังแทนที่เราจะสุขมันไม่เป็นสุขเบื่อนายบ้างอะไรบ้างแต่ว่านั่นแหละบางคนมันชอบโลง่ลงๆคล่องตัวดีก็เลยชักจะกลายไปว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีมีก็ได้ไม่มีก็ดีเออของเรานี้มีก็ได้แต่ไม่มีก็ดีไม่มีเรายิ่งสบายใหญ่เป็นอิสระดี ก็อย่างนี้เลยเนี่ยฝึกตนเองถ้าศิลแปก็จะถึงขันเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ดีหรือมีก็ดีไม่มีก็ได้ต่อจากนั้นก็จะฝึกต่อไปทีนี้ก็ได้โอกาสเราก็หนึ่งสนมเวลาสนมเรี่ยวแรงกําลังที่ไปยุ่งกับเรื่องการเสบริโภคแสวงหาสิเหล่านั้นท่านก็ให้ใช้เวลาในการรักษาอโสดไปทําอนนวัชกรรมแล้วก็ฝึกฝนทางจิตปัญญาอนนวัชกรรมก็คือกรรมที่ไม่มีโทษคือบําเพินประโยชน์ ไปช่วยเหลือคนอยากจนไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าไปทำอะไรอะไรให้เป็นประโยชน์หรือไปหาความรู้นะไปฟังธรรมนะไปอ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนฮะอนุวัชกรรมแล้วก็เจริญปัญญาไปฟังธรรมนะไปสนทนาธรรมตอนนี้ก็ได้ประโยชน์จากไอ้ตัวรักษาโบสถ์ไม่ใช่รักษาเฉยๆแต่รักษาโบสถ์ก็เป็นฝึกตนแล้วก็ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ด้วย โดยทำอนวัชกรรมกรรมที่ไม่มีโทษบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆพอจะเห็นนะอ่านี้ผมตอบคำถามเรื่องอะไรเนี่ย อ, อ๋อไม่ใช่เรื่องเรื่องดนตรีเรื่องดดรเรื่อ ง, เ ร, อ ง, เ, รองเรื่องขับร้องฟ้อนหลามไปอันว่าไม่ใช่พูดอะไรเด็ดขาดทีเดียวต้องแยกแยะเรียกว่าวิพัชวา อยากแยวอันนี้มันจะดีในแง่นั้นเสียในแง่นั้นถ้าเราปฏิบัติตามมันอันนี้อันเดียวกันนี่แหละคนหนึ่งถ้าวางจิตอย่างนี้ก็ผิดวางจิตอย่างนั้นถูกหรือคนเดียวกันนี่แหละวางจิตอย่างนี้ก็ผิดวางจิตอย่างนั้นถูกจะเกิดคุณเกิดโทษไม่ตําเร็จขาดต้องมีไอ้ข้อที่เกี่ยวกับตัวปัจจัยองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเข้ามาคนเรานี่มันละเอียดซับซ้อนมากนแปลอันว่า ศีลห้าท่านที่เป็นนักดนตรีก็สามารถทำประโยชน์ได้เลยเอา้าวมนุษย์ทั่วไปในสังคมนี้เป็นคนในระดับศีลห้าเท่านั้นนี่เราก็เอาดนตรีไปช่วยสิครับท่านมีเลยหลักของท่านเพลงประกอบทำทำประกอบเพลงถ้าเอาธรรมะไปประกอบเพลงเอาธรรมะไปเล่นสินี่อย่างนี้ไม่ถูกท่านไม่เอาด้วยแต่ว่าเอาเพลงมาเป็นเครื่องประกอบรม ช่วยสนับสนุนทำให้จิตของคนเนี่ยเกิดความเบิกบานผ่องใสอะไรเนี่ยท่านให้เลยเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกก็มีพระ ส, สูตรหนึ่งที่เป็นเพลงคือปัญจสิกขาเทพบุตรเป็นลูกน้องพระอิน<ม>ก็ไปรักกาเทพธิดาคนหนึ่งก็ร้องเพลงที่มีธรรมะด้วยเนี่ยอะไรผมก็พูดใช้สนุนไม่ถูกคือเขา ร้องเพลงถึงคู่รักของเขาอ่ะด้วยจิตใจที่คิดถึงเนี่ยอยู่ในพระ ส, สูตรเลยนะชื่อสักกัรนาสูตรมีเพลงของปัญจสิกาเทพ บ, บุตรซึ่งในนั้นก็มีทั้งเรื่องของการพรรณนาถึงความรักต่อคู่รักพร้อมทั้งเรื่องของความเลื่อมใสต่อพระรจนานัตนแหละถ้าหากว่าอย่างนี้มันยังโยงกันอยู่เนี่ยจะดึงจิตเขาขึ้นมาสู่ความดีงา ไม่ใช่เอาไว้สิ่งเหล่านี้มาพาคนให้ลุ่มหลงไปนั้นเราก็อย่าทิ้งโอกาสที่ว่าเออทําไงเมื่อเราทําดนตรีได้เพลงได้เราต้องหาทางเอาเพลงดนตรีเนี่ยมาช่วยคนมาเป็นเครื่องปลูกเร้ากุศลหรือนาคนเข้าสู่กุศลธรรมทําพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นแล้วเพลงก็จะเป็นประโยชน์เรื่องคาถาอะไรต่างๆในกึ่งเพลงทั้งนั้นคาถาเนี่ยเป็นคีตะ ที่สังคยานาก็สังคีติสวดพร้อมกันการสวดนั้นไปกึ่งเพลงเข้าไปแล้วสวดที่เพลาะกข้ไปอีกเขาเรียกว่าสรพันญะแทบเป็นเพลงเลยพระพุทธเจ้าก็อนุญาตมีในวินัยปิฎกพระเนี่ยไปดูไอ้การมรดศพเข้าใจว่าคิรัคัสมัชชะการละเล่นบนยอดเขาอย่างภาษาริบุตรโมคะลา น, นะก็นี่น่ะที่ออกบวชก็เพราะไปดูคิรัคัสมัชชะเนี่ยมรสศพบนยอดเขาเนี่ยดูสิ วางจิตดีบางทีไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยมันกลับทําให้ได้ธรรมะนะมันไปกระตุน้นมันกระทบภาษาริบุตรมอกคลรานะอุปติสสะโกริตะไปดูมรบบรศพบนยอดเขาก็ได้รู้สึกขึ้นมาเพราะมีประสบการณ์มากเหมือนกับปรงเลยจิตโปรงโอ้เนี่โลกก็อย่างนี้ยเห็นมนุษย์ลุ่มหลงอะไรแต่อะไรก็แล้วแต่คือท่านที่จิตขึ้นมาพัฒนาระดับหนึ่งเนี่ยมันจะมองเปลี่ยนไปก็เป็นเหตุให้ออกบวช อ้าวแต่ทีนี้พระไปดูมรศพภุยอดเขาความทราบถึงพุทธเจ้าชาวบ้านติดเตียนว่าทําไมพระไปเที่ดูมรศพอย่างนี้มันชาวบ้านพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทไม่ให้ดูทีนี้ก็พระชุดนี้แหละไม่ได้ไปดูมรศพอ่ะวันหนึ่งก็ร้องเพลงไม่ได้ไปดูมรสุภก็เอาเพลงมาร้องพุทธเจ้าก็บัญญัติสิกขาบทอีกไม่ให้พระร้องเพลงนี่ พระทั้งหลายพอพระพุทธเจ้าบรรยศศิขาบทนี้ก็เออบทสวดชนิดหนึ่งสรพันยะเนี่ยก็เป็นการสวดที่ไพเราะมากเนี่ยก็ลังเกียจไม่กลา้าเออจะสวดได้หรือเปล่าก็เลยไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเราอนุญาตสรพันยะสรพันยะก็แปลว่าการกล่าวธรรมด้วยเสียงเอาเสียงเป็นเครื่องมือในการกล่าวธรรม เอาเสียงเป็นสื่อไม่ใช่เอาแค่คําพูดนะตามปกตินี้เร า, เาคําพูดเป็นสื่อธรรมะใช่ไหมคำพูดนี่ก็พูดดีก็ได้พูดไมด่ดีก็ได้ก็เหมือนกันคําพูดที่ไม่ดีมันก็ทําให้เกิดความเสียหายหเกิดอกุศลธรรมแต่ว่าคําพูดเนี่ยมาพูดทำก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็เป็นธรรมกถาไปทีนี้ถ้าเพราะขึ้นไปจากธรรมกถาก็เป็นธรรมะคาถาในตอนนี้ชักไพเราะและ้ว เป็นโครงฉันกาบกรอนและ ร, รมคถาเอาลทีนี้พระท่านก็ถามพระพุทธเจ้าว่าสละพันญะนี่จะทำไงพุทธเจ้าก็อนุญาตก็หมายความว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ใช้ถ้อยคำคำพูดเป็นสื่อธรรมะเอาเสียงเป็นสื่อก็คือเสียงที่ไพเราะมีความเป็นระเบียบ ร, ราบรื่นกลมกลืนอะไรนี้แหละเป็นสื่อธรรมะได้ทำให้จิตคนเนี่ยฟังแล้ว เกิดความปราบปลื้มปีติเกิดปราโมดถ้าท่านทำเป็นนะครับผู้บทเพลงดนตรีเนี่ยทำให้จิตคนปราโมดร่าเริงเบิกบานใจก็อยู่ที่ว่ามันทำให้จิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าดนตรีนั้นทำให้คนเป็นจิตกุศลก็ถูกต้องดีแต่ถ้าทาให้เขาฟังแล้วเกิดอกุศลไม่ดีแล้วมันก็ขึ้นแต่ผู้ฟังเนียนะบางอันแนวกากึ่ง บางคนฟังแล้วเกิดกุศลบางคนฟังแล้วเกิดอกุศลเราก็ต้องระวังไม่ประมาทเมื่อท่านจะทำก็ต้องพยายามทำให้โน้มจิตไปทางกุศลก็กลายไปว่าดีสำหรับปุถุชนเนี่ยเราต้องยอมรับเขาตามที่เป็นเปนเขาอยู่ในระดับการพัฒนาขั้นนี้เราจะช่วยเขาได้ยังไงเครื่องมืออุปรกรณ์เรามีเจตนาดีต่อเขาก็แปลว่าพระพุทธเจ้าก็วางแนวไว้ให้แล้วระดับศีลห้าแล้วท่าน บอกว่าเอา้าเอามาใช้แต่ว่าใช้ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนากุศลนะทีนี้พอเราจะฝึกต่อไปก็อย่างที่ว่าตอนนี้ฉันชักจะเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อสิ่งภายนอกให้อยู่กระจายตัวเองได้ให้เป็นสุขภายในพัฒนาสุขที่เป็นอิสระแล้วก็จเจริญจิตจเจริญปัญญาขึ้นไปโอ้มันเป็นขั้นตอนอันนี้นะที่อยากจะพูดอีก การพัฒนามนุษย์ในแนวพุทธศาสนาคือพุทธศาสนาเนี่ไม่ได้ถือสังคมแบบเป็นอย่างเดียวตายตัวนี้เป็นจุดสำคัญในเรื่องของทิฏฐิทิฏฐิของนักอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เขามีความหวังดีต่อสังคมเนี่ยมันไปจบตรงนี้คือสังคมจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ห้ำหั่นฆ่าฟันจะต้องทำให้สังคมเป็นอย่างที่ฉันคิดให้ได้ท่านจะต้องมาเทียบกับพุทธศาสนา พัฒนาถือว่ามนุษย์นี่อยู่ในระดับต่างๆของการพัฒนาแม้แต่ความสุขก็ยังต้องการไม่เหมือนกันเลยอันนี้ไปบังคับจะให้เขามีความสุขแบบเดียวกันแล้วจิตเขาไม่ถึงนล้วจะไปบังคับไปอย่างไงมันเป็นไปไม่ได้มันอยู่ไม่รอดนั้นท่านต้องคู่กันไปสร้างระบบสังคมที่ในนั้นมีภาวะหลากหลายที่จะเหมาะกับคนที่พัฒนาในระดับนั้นๆ คนก็ต้องการความสุขไม่เท่ากันคนต้องการความสุขระดับนี้ก็มีแต่ขอบเขตว่าไม่ให้ละเมิดไม่ให้เสียหายแค่นี้แล้วเอาได้นะยอมแต่ว่ามีเกณฑ์อย่างหนึง่งเงื่อนไขว่าคุณต้องพัฒนาตลอดเวลาก็คือว่ายอมรับคนตามที่เขาเป็นในทุกระดับแต่ขออย่างเดียวว่าคุณจะหยุดการพัฒนาแล้วเราก็จัดสังคมที่เหมาะกับคนที่มีพัฒนาการในระดับต่างๆระบบสังคมในพุทธศาสนาเนี่ย เป็นสังคมที่จัดโดยมีอะไรทุกอย่างที่มันสนองความต้องการที่เหมาะกับคนที่มีพัฒนาการในระดับนั้นๆโดยมีกรอบเกณฑ์อย่างต่ําว่าไม่ให้ละเมิดอันิสเนี้ยเช่นศีลห้าที่จะทําให้เกิดการเบียดเบียนอยู่กันไม่ได้แล้วก็กรอบอย่างสูงอย่างของพระนี่ก็มีเกณฑ์อย่างต่ําเกิดอย่างสูงมีหลายอย่างที่ท่านให้เลือกเอา พระบูดเข้ามาแล้วถือศีลสองรยี่สิบเจ็เหมือนกันแต่อัธยาศัยความต้องการการพัฒนาไม่เท่ากันก็ต่างกันอย่างนี้ก็ให้เลือกเอาอย่างทุดงที่ผมเล่าให้ฟังก็เป็นตัวอย่างของการที่ให้เลือกได้ในข้อปฏิบัติจะอยู่ป่าอยู่บ้านเลือกเอาจะอยู่นานหรืออยู่สั้นก็เลือกเอาพระองค์นี้อยากจะไปถือธุดงอยู่ป่าเอาไปอยู่เท่านอยู่สามเดือนก็พอเอาก็อพอองค์นี้อยู่ตลอดชีวิตก็เอาท่านไม่ว่า ให้เลือกได้เท่านั้นเนี่ยเน่ยเนี่ยคือระบบแบบเนี้ยจะเป็นที่ว่ามีกรอบในระดับหนึ่งแต่ผู้ที่จะเข้าสู่กรอบนั้นถามก่อนคุณสมัครใจไหมเมื่อสมัครใจก็ยอมรับและฉันเอากรอบนี้ใช่ไหมและไอ้กรอบนี้ก็เป็นเครื่องฝึกเราเนี่ยทําไงเราจะสร้างสังคมแบบพูดได้ยากไหมพอเห็นไหมพอเห็นนะอา้าวเดี๋ยวจะเตือนไปพูดท่านตือนเลยถ้ามีโอกาสก็คุยเรื่องนี้ต่ออีกหน่อย นี่ก็มีเรื่องค้างจากครั้งก่อนคือพูดไม่หมดเปลือกเรื่องปลาโมดเนี่ยอันนี้ตอบท่านอธิปันยุ่ก็พูดถึงว่าทางนิปานก็มีสภาพจิตที่สำคัญที่ควรจะมีประจำตัวคือปลาโมดถ้ามีญาติโยมมาถามก็บอกโอยมทำใจให้ปลาโมดให้ได้ก่อนทำได้ไหม ถ้าแค่ปราโมดยังทำไม่ได้โยมปนิพานยากของนั้นนะต้องสามารถทำใจให้ปราโมดก็เป็นใจที่เข้าแนวทาง ป, นปานิพานทีนี้ปราโมดนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องดีเสมอไปเดี๋ยวจะเข้าใจผิดปราโมดแล้วก็ปีติโดยเฉพจะว่าปีติเนะี่ยเราพูดกันในแง่ดีคือในแง่ดีนะดีแน่แต่ว่ามันก็มีเงื่อนไข ว่าในบางกรณีอาจจะเป็นปนัญหาขึ้นต่ออารมณ์อารมณ์ก็คือสิ่งที่เราปรารบให้เกิดปิติปราโมทนั้นเข้าใจไหมฮะไม่ใช่อารมณ์ในภาษาไทยนะอารมณ์หมายถึงว่าสิ่งที่จิตเนี่ยไปเกาะไปจับหรือไปปรารบนึกถึงอะไรนั่นเองนึกถึงอะไรแล้วก็เกิดปิติขึ้นมาอย่างว่า ปิติปลื้มใจอิ่มใจเนี่ยอาจจะเกิดจากความโลภก็ได้ประกอบกับความโลภจนได้อะไรสมใจอยากได้อะไรได้สมใจก็เกิดปีติปลื้มใจอิ่มใจอย่างนี้มันก็ประกอบอยู่กับอกุศลก็ เ, เป็นปนัญหาได้จิตมันก็ไม่โปร่งแท้มันก็จะมีปัจจัยที่จะนําไปเขวออก หรือเกิดจากความโกรธก็ได้ใช่ว่าโกรธแต่คนนั้นได้ทุบเขาสมใจนีเนะก็ปีติเหมือนกันอิ่มใจเอออย่างน้อยได้ตีก็ได้ทุบเขาสมใจแล้วก็เกิดอิ่มใจนะหรืออย่างเขามายกย่องพูดจายกย่องชมเชยอะไรแต่อะไรก็เกิดลำพองใจเห่มใจทะเลว่าเหิ่มใจอย่างนี้ก็ปีติเกิดเหมือนกัน บอกปิติเนี่ยมันจะมาโสมนัสปิติจะไม่เกิดโดยปราศจากโสมนัสโสมนัสนก็ดีใจดีใจอิ่มใจปลื้มใจนี่พอเขามายกย่องสรรเสิอก็ปลื้มใจทีนี้มันก็โยงมาหากิเลสได้ก็ทำให้จิตเนี่ยไม่ลงไม่โปร่งคุณมัวในแง่ของธรรมะเนี่ยถือว่ามีตัวที่มัน ไม่โล่งพระพุทธเจ้ายัางตรัสไว้ถึงเรื่องที่ว่าถ้ามีใครมายกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ก็อย่าให้เหิมใจเนี่ยถ้าเกิดปีติในกรณีนี้ต้องระวังคือต้องระวังจิตมิฉะนั้นมันจะเอ็นเอียงได้ก็ต้องให้ตั้งอยู่ในปัญญามีสติตั้งมั่นไว แล้วก็อมีปัญญามาคอยกำกับเพื่อไม่ให้เฉยเมื่อไนเดี๋ยวมันเกิดความหลงเพลินหรืออย่างเนี้ยอยงเช่ว่าเรามีปัญหากับคนหนึ่งเป็นศัตรูหรืออะไรกันแล้วแต่ได้ยินข่าวอีตาคนนั้นตายแล้วนี่เกิดปลาโมดเลยบันเทิงใจร่าเริงใจอย่างนี้ก็เกิดปัญหาเพราะว่า มันมีไอตัวประกอบที่มันพ่วงอยู่ด้วยที่มันไม่ดีแล้วมันจะปรุงแต่งไปตามนั้นนี่ปราโมทย์ตามปกติจะเป็นตัวหลักเพราะว่าเป็นภาวะจิตที่ตามปกติก็คือไม่มีอะไรมารบบวนมันหรือมาขัดมาขวางมาบีบมาคั้นมากดมันนะ่ะถ้ามีพะกิเลสมาแล้วก็จิตมันก็จะถูกกดถูกทับถูกบีบ ถูกชักพาหรืออะไรนี้จิตที่มันโล่งเนี่ยมันจะปราโมดแต่ว่าจิตที่ไม่มีนิวรน์เนี่ยจิตปราศจากนิวรณก็ปราโมดปรารบอารมณ์ที่มันดีๆงามๆที่เป็นกลางๆเช่นอย่างธรรมชาติเนี่ยต้นไม้ท้องฟ้าแล้วมันเป็นกลางๆมันไม่ได้เสียหายอะไรเนียเพราะนั้นธรรมชาติเนี่ยก็เป็นจุดปรารบที่ทําให้จิตปราโมดได้ง่ายก็คือจิตมันไม่มีอะไรเข้ามายุ่งมากวน มันพร้อมที่จะมีปราโมทถ้ามันมีอะไรมากวนอยู่มันก็ปราโมทไม่ได้นั้นท่านจึงให้ความสำคัญกับจิตปราโมทเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่เราก็ต้องดูได้ว่าพร้อมกับความปราโมทนั้นมันมีตัวอะไรพุ่งอยู่หรือเปล่าถ้าอารมณ์ที่อยู่ด้วยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่เป็นกลางๆ ก, ก็กลายไปว่าจิตเวลานั้นปลอดโปร่งจากนิวรณ์ปลอดโปร่งจากนิวรณ์ก็ดีสิ ก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปนั้นท่านให้ความสําคัญมากเรื่องจิตปลาโมดปราโมดนี่จะเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็ต่อได้ปีติแต่ว่ามันยังปลอดภัยกับปีติเพราะปีตินี่คือถ้าอยู่ข้างดีมันตามปราโมดที่ดีก็ดีไปเลยแต่ว่ามันอาจจะไปเกิดจากอารมณ์ที่ไม่ดีก็ได้อย่างที่ว่าเมื่อกี้ปีติปลื้มใจที่ได้ทุบทองเขาเนี่ยที่มัน โกรธได้สมใจอะไรเงี้เน่อะหรือโลภหรือว่าเขามายกย่องสรรเสริญอย่างที่พูดไปแล้วหน้าปิติมันจะเกิดแบบนนั้เอานะให้กระใจเป็นอันว่าให้ปราโมดโดยอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกลางๆหรือเรื่องที่ดีงามโดยเฉพาะท่านบอกว่าสิ่งที่จะช่วยให้จิตปลาโมดได้ดีก็ทานศีลภาวนาและความมีไมตรีจิตมีมิตรภาพ กับบัณฑิตกับกัลยาณมิตรก็จะทําให้จิตมีโอกาสปลาโมดได้ดีก็จะเห็นว่าท่านให้ความสําคัญในเรื่องสภาพสังคมกัลยาณมิตรเลยพวกนี้ก็เป็นในพวกด้านสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีไมก็ธรรมะใช่พวกกัลยาณมิตรคนดีก็เป็นสิ่งแวดล้อมประเภทธรรมชาติอย่างเงี้ยจิตมันก็ปลาโมดโปร่ง ร่าเริงเบิกบานไม่มีอะไรมากดมาบีบมาทําให้มันวุ่นวายถ้านะจิตโล่งๆ โ, โปรง่ปรงๆอย่างนี้มันก็เท่ากับเปิดโอกาสจิตมันก็ดีเป็นกุศลก็เปิดโอกาสให้เราก้าวไปในธรรมะได้เพราะจิตที่จะก้าวไปในธรรมะก็ต้องเป็นจิตที่ไม่มีอะไรมาขัดขวางเช่นนิวรณ์นิวรณ์นี้เป็นตัวสําคัญพอปรากจากนิวรณ์จิตมันก็พร้อมที่จะปรามโมน้น นี่ถ้ามันมีนิวรณ์อยู่มันก็ปลาโมดไปได้ก็เลยกลายเปว่าในแง่นหนึ่งปลาโมดมันก็เป็นเครื่องหมายบอกว่าเออตอนนี้อยู่ในสภาพจิตดีใ น, นกให้ฝึกอย่างน้อยก็เอาอันเนี้ยก็ยังดี่ะแต่โยมมาพบกันก็เออคุณอยากจะปฏิบัติธรรมอยากบรรลัยพานก็ทําจิตให้มันปลาโมดดูสิเงี้ยถ้าทำอย่างไม่ได้ก็มีตัวขวางแหละไม่ค่อยดีไม่ค่อยพร้อม ก็เห็นจะพอนะะเติมซะแต่ว่ามีอันหนึ่งที่อยากจะย้ำก็เรื่องเก่าแหละคือทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ส่งเน้นย้ำจัดบ่อยนักเรื่องปลาโมเนีน่การปฏิบัติธรรมในแง่น้อยแง่นี้ก็จัดแม้แต่จัดแบบลำดับจากที่จัดเป็นกลางๆเริ่มเข้ามาสู่พระศาสนาว่าเป็นพระภิกษุบวชแล้ว ก็รักษาศีลอะไรต่างๆหลานเนี่ยแล้วก็ไปต่อด้วยปราโมดไม่มีวิปติสารไม่เดือดร้อนใจก็มีปราโมดปราโมดแล้วก็ไปปีติต่อตัดเรื่อยเลยแง่นหนึ่งที่น่าพิจารณาก็คือว่าสภาพจิตแบบปราโมดร่าเริงเบิกบานสดชื่นโปรงๆลง่ลงๆเนี่ย มันก็คล้ายกับธรรมชาติของจิตเองจิตโดยธรรมชาติของเขาเองที่ไม่มีอะไรเข้ามารบกวนเข้ามาวุ่นวายเข้ามาเคลือบแฝงมาบีบมาคั้นมาครอบงำอะไรต่างๆจิตนั้นจะเป็นจิตที่ใสเคยได้ยินไหมพุทธพจน์ที่ว่าปพัพสระมิทังพิกเวจิตตัง แล้วก็มีตรัดต่อไปอีกบอกว่าอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิลิถังเลยเนี่ยแปลว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนประพัดสอนก็แปลกันว่าผ่องใสแต่คุณมัวเศร้าหมองเพราะอุปกิเลที่จรมาอุปกิเล ก, ก็คือสิ่งที่คุณมัวเศร้าหมองพิกกิเล ก, ก็แปลว่าสิ่งที่เศร้าหมอง กโลพาโทสะเป็นต้นน่ะกิเลสทั้งหลายหรือแม้แต่ความรู้สึกไม่สบายรู้สึกจิตใจไม่โล่งไม่เบาเนี่ยก็เป็นภาวะที่มีความคุณนบัวนี้ที่เราปฏิบัติทำกันในแง่หนึ่งก็คือว่าไม่ให้โอกาสหรือว่าไม่ยอมให้พวกกิเลสสิ่งเศร้าหมอง้เข้ามาครอบงำจิตใจถึงกับพูดกันว่าชำระจิต เป็นชำระจิตจักนิวรณ์มันมีกิเลสเข้ามาเราก็มีสติเป็นต้นหรือมีวิธีปฏิบัติในการที่เหมือนกับขับไล่มันออกไปก็ทําให้จิตเนี่ยอยู่ในภาวะของเขาเองเป็นสภาะวะตามธรรมชาติ Arc. คือตัวจิตเองก็คือภาวะของเขาสมัยก <closely bacteria> <wife> so well. ่อนถึงกับพูดกันจะบอกว่าจิตเดิมแท้เป็นจิตที่บริสุทธิ์อะไรเนี่ย แต่นี้ที่จริงคํานั้นมันเป็นปนัญหาทางภาษาพราไปบอกว่าจิตเดิมแท้คําว่าเดิมนี่มันให้ความหมายไปทางการเวลาใช่ไหมเหมือนกับว่าเออในอดีตต้นเดิมแท้แท้เนี่ยมันบริสุทธิ์แต่นี้คําว่าเดิมในอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าสภาวะดั้งเดิมของมันเองสภาวะมันเองอะที่จริงไอ้คําว่าเดิมมันกํากวมอย่าไปใช้ดีกว่า ก็คือโดยสภาวะหรือโดยธรรมชาติเขาเองไม่ต้อไปพูดว่าเดิมหรือไม่เดิมว่าเดิมแล้วเดี๋ยวยุ่งว่าโอ้นึกถึงการเวลาในอดีตเหมือนอย่างเราพูดถึงท้องฟ้าเนี่ยว่าท้องฟ้าในเดิมก็โล่งโปร่งโปรงใสอ้าวเดี๋ยวก็ไปถามว่าสมัยเดิมเมื่อไร่อีกแล้วนียก็ไม่ต้องพูดเดิมก็ได้บอกฟ้าเนี่ยโดยสภาพของมันเองธรรมชาตินี่แหละมันก็เป็นของมันอยู่งนั้นใช่ไหม ฟ้ามันก็โล่งข้งมาอย่างเงี้ยเป็นแต่ว่าที่มันฟ้าหมองฟ้าหมัวก็มีเมฆมีหมอกมีควันมีฝุ่นละอองนั่นเรียกว่าจรมาไงเนี่ยเป็นของแปลกปลอมไม่ใช่เนื้อตัวของฟ้าใ น, นกจิตของเราเนี่ยโดยธรรมชาติเขาเองก็เป็นจิตที่พองใสพุทธเจ้ายัางตรัสต่อไปอีกว่าถ้าหากว่าจิตเนี่ยมันไม่ใช่ของ สะอาดผ่องใสยอย่างนั้นแล้วการที่จะกําจัดกิเลสมันก็เป็นไปไม่ได้แต่เพราะเหตุที่ว่าธรรมชาติของมันเป็นของที่บริสุทธิ์หรือสะอาดอย่างที่ว่าการชําระกิเลกก็เป็นไปได้เราก็ไม่ให้โอกาสเหมือนไม่ให้กิเลสเข้ามายุ่งมาครอบงำมารบ ก, กวนจิตใจนี่คนที่ทําจิตใจให้ปราโมดได้ก็เหมือนกับว่าทําใจให้อยู่ในภาวะที่ใกล้เคียงกับสภาพ ของมันเองธรรมชาติมันก็เท่ากับว่าไม่มีพิสิ่งมัวหมองเพราะอภิกิเลตเข้ามาครอบงําก็เลยเป็นภาวะที่ดีนั่นก็เลยเหมือนกับว่าตั้งอยู่ในจุดที่ไปนิพพานได้ง่ายใกล้กันไปแล้วเพราะว่าภาวะจิตอันนี้เนี่ยใกล้กันกับสภาพที่ดีของเขาที่ปลอดโปร่งไม่มีอะไรมาครอบงําในปราโมทย์ก็เป็นสภาวะ หรือคุณภาพของจิตใจที่ดีงามที่ตัดถึงอยู่เรื่อยก็ภิกษุปฏิบัติทำก็ควรจะได้ปลาโมดโดยปกติก็ควรทำจิตให้ปลาโมดได้ถ้าเรายังไม่สามารถทำจิตให้ปลาโมดได้เอออย่างงี้เราจะไปหวังนิพพานยังไงเพราะว่าภาวะที่มันมีลักษณะใกล้เคียงเนี่ย เราก็ยังไม่สามารถทำได้ก็คือทำใจให้มันโลง่งมันโปร่งมันเบาไม่มีกิเลสความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งหลายเข้ามารบกวนครอบงำแล้วก็จิตสภาพนี้ก็อยู่ในชุดที่ว่าในที่สุดก็เป็นสมาธินั่นเองอ น, นั่นก็ทำใจให้ผ่องใสก็เข้ากันหลักที่เป็นหลักพุทธศาสนาสามข้อ ที่เรามักจะพูดกับหัวใจพุทธศาสนาสัรพปาปะสะการนั่งการไม่ทำบาปหรือสิ่งไม่ดีทั้งปวงแล้วกุกุสลสุะสมปทาทำกุศลใ้ถึงพร้อมสจิตาปริโยทะปันนังทำจิตของตนให้ผ่องใสผ่องใสแท้ก็ต้องปัญญาเพราะปัญญาก็เหมือนแสงสว่าง แสงสว่างก็ทำให้มองเห็นชัดเจนแล้วกำจัดสิ่งที่คุณมัวเมื่อยังมีคุณมัวความสว่างมันก็ยังไม่เต็มที่การที่มีปัญญาสว่างเต็มที่ก็แสดงในตัวว่าเวลานั้นไม่มีสิ่งเศร้าหมองลบ ก, กวนปัญญาจึงได้เห็นทั่วชัดพอปัญญามาก็คือเป็นตัวที่เชื่อมต่อมนุษย์เข้ากับความจริง ปัญญาเป็นตัวถึงความจริงความจริงก็อย่างที่ว่าเป็นตามที่มันเป็นที่บอกวันก่อนว่าท่านแนะนําพระใหม่บอกว่าให้ทําใจเหมือนพระจันทร์หรือเมือ่อไงก็ให้เราเนี่ยทําดวงใจให้สดชื่นเบิกบานเหมือนยามแรมดูดวงจันทร์คนดูดวงจันทร์ได้มากใจสบายทําใจให้ สว่างใสเ ย, ย็นยวกกบพระจันทร์อันนี้ก็เป็นอุบายวิธีต่างเอาผมก็ว่าเรื่อยไปมีอะไรถามก็นิมนต์นะไม่มีอะไรสงสัยนะไม่มีนะไม่มีสงสัยวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อน